ا ل ل ه ر ح م و ي الحمد لله رب العالمين. ص ل ا وسلام على شرف المسلمين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ومن تبعهم بحسن إليم الدين ثم أ م بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ف و ر ة ا ل أ ف ا ل ترى من أتى بعيونه. ت ن طن. ي ا ت ن ระยตั้งแ่อะยที่ยีสิบนียถึงี่สิเนี่ยจะพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของผู้ศรัทธาที่แท้จริงโดยเฉพาะในยามุุริกเรียมสงครามพสุริยวัพพูดถึงเรื่องสถาการณ์สงคราม คุณสมบัติสำคัญของผู้ศรัทธาที่จะต้องแสดงออกให้ชัดในฐานะสมาชิกภาพของสังคมมุสลิมเนี่ยคือความเป็นปึกแผ่นแลวความเป็นปึกแผ่นจะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีผู้นำและผู้ตาม และ่าตรานในการเชื่อฟังระหว่างผู้ผู้ตามกับผู้นงสำคัญมากเดี๋ยวพี่น้องจะเอาข้อมูลที่ผมจะพูดเนี่ยมาลองเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันพี่น้องก็จะเห็นว่าจุดอ่อนในสถานการณ์บ้านเมืองของเราน่มันอยู่ตรงไหนผู้ น, นำอย่างเดียวไม่พอผูน้ำนำผู้นำ คนเดียวแล้วไม่มีผู้ตามก็ไมมีประโยชน์เหมือนสมัยไุนทรธรรมจิตสลาตวัที่เจงที่จุฬาผู้นำเขาจะทาสัญญาสันติภาพกับอ่ากรสินที่เขากำลบุกรุกบุกรุกแผ่นดินอิสลามไอ้สุนทรธรรมจิสลามก็เลย คค้านคค้านกับสุตตานกุไม่เห็นด้วยสุตตานก็บอกว่าไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องเห็นด้วยไอ้สุนทรเสด็จก็บอกว่าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังหลักการน่ะนะฉันก็ไม่มีประโยชน์ฉันก็ขอไม่อยู่ในเมืองนี้ฉันคนยังไอ้สุนทรบิศแลมเนี่ ไปไหนแต่ไหนนี่ก็เบาตัวไม่ได้ไปสร้างเครือหารไม่ได้ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะ ก, ก็มีลาอยู่ตัวเดียวแล้วก็เอาสัมภาระนิดนึงก็แบกบนลาตัวนั้นแล้วก็ออกพอชาวบ้านเห็นเขาออกเขาก็ออกตามไคโรตมรุไคโรที่เป็นเมืองหลวงของข อ, ง อ, งอาณาจักรตอนนั้นเป็นอนาณาจักรอไยูเบียแล้วคนนั้นนะก็เป็นลูกลูกชายของ าสวร ด, ดีนอัอ ย, ยูบีนี่มียอยวัที่ยูบีที่ิชิตอักษรนะลูกชายเขาเนี่ยกะกลับเพี้ยนมามามาสวามีพักให้พวกครูเสกพวกพวกระนจจาจักรคริสชาวบ้านก็ออกตามออกตามจนเมืองไคโรเนี่ยเป็นเมืองล้างไปเลยไม่มีคนอยู่มีผู้นำไม่มีผู้ตามมีผู้นำก็ต้องมีผู้ตาม และระหว่างผู้นำและผู้ตามก็ต้องมีบางทัศฐานผู้นำจะปกครองผู้ตามยังไงแบบไหนและผู้ตามจะต้องเชื่อฟังและรับนโยบายของผู้นำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้สังคมยังไงมันบันทัฐานเนี่ยต้องมี ในสังคมมนุษย์เน่ะมันไม่มีใครเหนือกว่าใครหรอกมนุษย์กับมนุษย์มันก็เสมอกันอ๋อ้มนุษย์คนนั้นมีอิทยุธมีมีมีวุธิมีอะไรที่มันเป็นเรื่องดินของสังคมเช่นทรัพย์สินตำแหน่งมนุษย์ก็จะมองมนุษย์เป็นเป็นคนหมือน จึงต้องมีอะไรที่อยู่ในมือของผู้นำหรืมือของผู้ตามที่สร้างคุณค่าคุณค่ากับทั้งสองฝ่ายเรื่องอะไรฉันจะเชื่อฟังผู้นำถ้าหากว่าผู้นําเนี่ยเขาไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เขาไม่มีอะไรที่เหนือกว่าที่ผู้ตามทั้งหลายนี่เขามีผู้นําสามารถที่จะดํารงซึ่งความยุติธรรมไหมมีบรรทัดฐาน มีกฎเกณฑ์ผู้ตามเชื่อเชื่อในใจในี่ว่าผู้นําสามารถทําได้จึงยอมยอมที่จะฟังยอมที่จะตามผู้นําผู้นําได้เห็นผู้ตามเนี่ยมีคุณค่าไม่ใช่ในการเชื่อฟังนะมีคุณค่าในการที่จะให้การเชื่อฟังที่มีประโยชน์ เอวกสเตดิกเนพอรับตำแหน่งทีละฟาดคำแรกที่ขึ้นมิมบัตแล้วก็บอกว่าแต่เห็นชั้นเที่ยงตรงก็ช่วยช่วยฉันด้วยถ้าเห็นชันบิดพริ้วก็เอาวิมูนีก็ให้ปรับปรุงฉั น, นทั้งหมดดูแลฉันนั่นหมายรวมว่าผู้นำต้องมองคุณค่าในตัวผู้ตามเนี่ยในศักยภาพของผู้ตามในการที่จะ สร้างความสมดุลของความถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคมลำพังผู้ตามคิดว่าตัวเองคือซุเปอร์แมนฮีโร่ที่สามารถทำได้ทุกอย่างไงทำไมมีชันยังไง แ, แ, แน่นอนสังคมก็อาจะทตัวเองฮีโร่ซุเปอร์แมนแบบนี้แล้วก็ใช่ แต่ผู้นําต้องเชื่อว่าเขาทําทํา้วยตัวเองไม่ได้ต้องมีคนช่วยแล้วคนช่วยนี่คือใครคนช่วยนี่คือประชาชนคือผู้ตามนี่พอมาดูมีอยู่สามอย่างเลยมีผู้นํามีผู้ตามแล้วก็มีบรรทัดฐานบรรทัดฐานที่จะให้ทั้งผู้นําแล้วก็ผู้ตามนี่ต้องต้องสยบพอมานั่งช่างดู สำัสังคมมนุษย์นี่ยอะไรที่สำคัญที่สุดอะไรที่จะทําให้ความสมดุลมันจะเกิดขึ้นความเที่ยงธรรมมันจะเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์มากกว่าตัวผู้นําหรือตัวผู้ตามหรือตัวมาตรฐานตัวมาตรฐานนี่ยังไม่ได้พูดนะมาจากพระเจ้าหรือมาจากมนุษย์นี่ยังไม่ได้พูดนะ แต่ดูแล้วสิ่งที่จะให้ทุกฝ่ายยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็มีแนวทางที่สามารถร่วมอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำงานด้วยกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมคือมาตรฐานเมื่หลังเนี้ยก็คือเรื่องกฎหมายกฎหมายต้องเที่ยงธัรต้องสักษิ กฎหมายที่ผู้นำเนี่ยจะบังคับใช้กับผู้ตามกฎหมายที่ผู้ตามเห็นว่าเหนือกว่าผู้นาพอผู้นำผิดผู้นำเนี่ยก็บังคับใช้กฎหมายกับตัวเองด้วยอันนี้ผู้ตามเต็มใจที่จะที่รับทำแต่ถ้าบักดาธานีเมัน บรรทัดฐานกฎหมายนี th th này, ่ไม่เสร็จสิพอถึงถนนแถวไหนนะถนนแถวอยู่แถวหนองจอกพอถึงถนนนัน่ะกฎหมายไม่อยู่ล่ะเพราะนันถึงตำแหน่งนี้แหะกฎหมายไหว่ะกฎหมายไม่มีความหมายล่ะ ผ <S ess is> ู้ตามพูดต้องก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าแล้ว้จะเชื่อฟังผู้นำทำไมละนี่คือปัจจานักกฎหมายในตำนานเขาสอนปัจจาที่ทุกคนต้องตระนักผู้นำก็ต้องตระนักผู้ตามก็ต้องตนักสำหรับมุสลิม เพราะนี่เรากำลังอธิายคุณอ่านสำหรับมุสลิมเราคงไม่นุ่งยากมากในในการที่จะหามาตรฐานศักดิ์สิทธิ์ที่จะให้ทั้งผู้นำและผู้ตามยอมสยบกฎหมายของพระเจ้าที่ผู้นำจะต้องมองแล้วอ่ะเหนือเหนือก้าเหนะืกอกระหม่อมแน่นอน ผู้ตามก็ต้องยอมรับถ้ามาจากพระเจ้าก็ต้องเหนือกว่าทั้งผู้นำแล้วก็ผู้ตามฉะนั้นในสังคมมุสลิมเนี่ยนีไม่พน้นทุกงานทุกองคอ์กรทุกกลุ่มเราต้องมีผู้นำโดยบริยายก็ต้องมีผู้ตาม แต่จะให้มีผู้นแล้ว ก, ก็ผู้ตามแล้ว ก, กไ็ไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีไม่มีวิชาการไม่มีมาตรฐานที่จะกํากับทั้งสองฝ่ายนะคุณค่าคุณค่าของกฎหมายที่มาจากพระเจ้านี่มันจะสรุปอะไรลลายอย่างโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลากับมันสังคมมาดีหน่นี่เป็นสังคมเรียกว่า กำลังเริ่มต้นกำลังก่อตั้งสังคมใหม่สงครามบบนี้กเป็นสงครามแรกที่เกิดขึ้นอุรอ่านก็เป็นคำภีรถึงตำราสอนอบรมขัดเกลาร์กำลังก่อตั้งสังคมใหม่ ก่ตั้งสังคมใหม่ให้มีจนิยบัณทั้งฝ่ายผู้นําฝ่ายผู้ตามให้มีบรรทัศฐานที่ให้สังคมเนี่ยยอมรับเมื่อมีมาตรฐานนี้ทุกสังคมสังคมมนุษย์ทุกสังคมทุกสถานที่ทุกสมัยเวลานะก็สามารถใช้โครงสร้างนี้ได้ มีผู้นํามีผู้ตามแล้วก็มีบรรทัดฐานมีกฎหมายที่ศักดิิที่จรินี้มาเจาะลึกในเรื่องกฎหมายนิดนึงกฎหมายในเวลาเป็นกฎหมายมนุษย์ด้วยกันการยอมรับระหว่างผู้นํากับผู้ตามมันก็ยอมรับ เท่ากับที่ทั้งสองฝ่ายในยอมรับในกฎหมายแต่ยถงว่ากฎหมายเนี่ยถูกตลาขึ้นมาด้วยประชามติที่กว้างขวางขอ ง, ของสังคมทั้งหมดกฎหมายยิ่งสัจสิจำวนววสังคมไม่อยู่ร้อยคนแต่คนที่ออกกฎหมายเนี่ยสองคนเก้าสิบแปดคนนี่นะอาจจะมียี่สิบคนถูกบังคับ อย่่สบคนถูกซื้อนะยี่สิบคนแ ต, แต่ทั้งหมดจะได้ไหมก็ที่ผลิตกฎหมายนี่แค่สองคนแต่ถ้ากฎหมายก็คือบรรทัดฐานเนี่ยทั้งร0อคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายเนี่ยกฎหมายนี้ยิ่งยิ่งมีศักดิ์สิยิ่งมีการยอมรับซึ่งกันและกันนีมีกฎหมายมนุษย์ แล้วมาันจะเป็นกฎหมายของพระเจ้าล่ะในเมื่อผู้นําและผู้ตามเป็นผู้ศรัทธายอมรับในพระเจ้ายอมรับในกฎหมายที่มาจากพระเจ้าเพราะกฎหมายมาแล้วจากพระเจ้าอ่ะนะมันไม่ต้องเสียเวลาอะไรเยอะสังกเกตง่ายๆนะครอบครัวที่เขาหนักแน่นในเรื่องความศรัทธาในเรื่องอิมมานในเรื่องเชื่อฟังและการศาสนา เวลาเขามีการแบ่งมรดกมีอิมาดมีความศรัทธามีความเสือกันแค่ไหนอ่ะนะโอ้การแบ่งมรดกนี่ราบรื่นแปดียแปบเดียบางทีงไม่ต้องคุยมากอ๋ออันนี้นีอันนี้นนนนตามหลักการศสะจบแต่ทําไม่ใช่ละ่นะบางที่เนี่ยร้อยปียังแบ่งไม่จบ สัตว์ตยันแบง่งไม่จบเลโโยโทษโทใครอ่ะกฎหมายมันก็มีอยู่แล้วแม้แต่ไม่ใช่กฎหมายของพระเจ้าที่เอาระที่เอาระจะแบง่งมรรุยแม้กระทั่งกฎหมายไทยที่กฎหมายของมนุษย์นี่นะท่านทั้งสองฝ่ายนี่ยอมรับเนกฎหมายนี่มันจบ ง, ง่ายางในเนี่ยพอใจแค่ไหนไม่พอใจแค่ไหนนี่กันนี้ก็อาจจะต่ดดางกันบ้างแต่สําหรับผู้ศรัทธานี่ จบมันเึ่งมันจบง่ายจบด้วยความพอใจด้วยด้วยความอุ่นใจด้วอัวลลอฮ์เราสั่งไว้แล้วนี่จบข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายมนุษย์และกฎหมายและกฎหมายของของพระเจ้าพอผู้สถานี่รู้ว่ากฎหมายนี่มาจากอัลลอฮ์แสดงว่าดีสเสมอไม่ต้องตรวจสอบไม่ต้องพิสูจน์อัลลอฮ์สั่งท่านนาบีสั่งท่านอายุ ข, ของซอฮาบานี่เขาไม่ ไม่สอบถามตามไม่ตรวจสอบในมันทติของอิบัมอหัลมุสลิมมันมีเหตุการณ์ท่านอับบาลซาอัลลอมิมีได้รายงานชาวอันซ้อนนี่ชาวอันซ้อนนี่เ้าจะคือเ้าจะจงรักภักดีกับนบีมากกว่าชาวมุฮาจิริน พิสูดได้ที่ว่าท่านนบีได้พิสูจน์หัวใจของชาวอังซอในยามที่มีสงครามในยามที่มีการแบ่งทรัพย์เฉลยอย่างชาวอังซอเนี่ก็จะไม่ค่อยติใจชาวอังซอเนี่ยเอยากให้นบีท่านนบีโอเคนี่ก็ก็สบายใจชาวอังซอเนี่ย ใครจะมาแต่งงานขอแต่งงานกับลูกสาวเขานี่นะเขาเกรงว่าลูกสาวเขาเนี่ยนบีอาจจะมีความประสงค์ที่จะขอแต่งงานซึ่งเปอร์เซ็นต์นี่อาจจะน้อยมากเพราะเพราะลูกสาวชาวอังกฤษนนับเป็นพันเป็นหมื่นคนอย่างเงี้ยคือนบีจะแต่งงานทั้งบนนี้มันเป็นไปไม่ได้ แต่ทุกคนเนี่ยเขาเผือไว้ก่อนว่าลูกสาวฉันเนี่ยน บ, บีอาจจะอยากจะแต่งงานใครจะมาขอลูกสาวอ่ะเดี๋ยวก่อขอทางท่านน บ, บีก่อนเกรงว่าถ้ายกลูกสาวให้เขาแล้วก็น บ, บีเขามีแผนจะเข้ามาขอแต่งงานเขาจะทำให้ท่านน บ, บีผิดหวังอะไรเงี้ยโขนเธอฉั น, ฉ, นฉันไม่บังอาจที่จะเป็นเหมือ ไดมียูครั้งหนึ่งท่านนาบีไปหาชาวังซ้อนคนหนึ่งบอกว่าฉันมาขอลูกสาวของท่านด้วยความยินดีครับท่านนบีด้วยความยินดีเลยด้วยความยินดีดมนดไมมปหาเลยนบีบอกว่าไม่ได้ขอให้ตัวฉันนะขอให้ใครอ่ะ ขอให้ยุเลบีมยุเลบีมในซอบ้านนี้มีชื่อหลายคนนะแลจะมีเรื่องราวของยุเลยบีมหลายยุเลยบีบนะขอให้ยุเลบีมเขอบอกเขาอเท่ยงเงินดูขอปรึกษาปรึกษาแม่บ้านของเรื่องนี้มันมนานเหมือนกันนะงปรึกษาแม่บ้าน เขาก็เข้าบ้านก็อกว่านี่นบีมาขอลูกสาวโอ้ยินดีนบีแล้วเนะี่ยก็โอ้ยินดีเลยแต่นบีไม่ได้ขอให้ตัวท่านนะอ้าวแล้วใครอ่ะขาขอให้ยูเลบีมยูเลบีมนะยูเลบีมยูเลมีมซึ่งเป็นคนจนมากจนมากในเมืองมานีนะทั้งจนหน้าตาไม่ค่อยดีก็คือแบบไม่ค่อยมีใคร เอาข ว, ว, วันจุลยบีบันะลาล่ามุลล่าไม่เลยขอสาบานดูพ่อน ะ, ขอะเขาก็หลังเหลพ่อตอนนบีขอคานี้กว่าจะนบีจะขอให้เลยให้เลยแต่พอเขาบอกจุลยบีบันพ่อก็เลยดขอึกษาแม่บ้านอันนี้มันเป็นมุกใช้ตลอดันนะ ใช่ทุกสมัยเลยาษาแม่บ้านเลยก็คือตัวเองอ่ะไม่ไม่ตัวเองอ่ะไม่ไม่เอาจะไปอ้างแม่บ้านไม่เก็ด้วยแม่บ้านนี่ก็เรียนแม่บ้านนี่ไม่ทำมาอยู่ในมือมันไม่เลยเสียงมาจากหลังบ้านก็คือว่าที่เจ้าสาว พ่อจะาใครขอ่อท่านนาบีมามันแล้วขอดีชันไห้ไข่ก็อขอให้อยู่เลยบีมแล้วแล้วพ่อกับแม่ว่ไงเาะไ ม, ไม่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าแล้วจะขืนขัดขืนฝ่าฝืนคำขอของท่านนาบีได้ไงไม่กลัวกันหรือ ไม่เกรงกลัวกันตอบท่านนาบีเลยว่าดิฉันเนี่ยเต็มใจที่จะรับการขอของท่านนาบีเจ้าตัวนะว่าที่เจ้าสาวแต่งงานกับยูลยบีบนี่ไม่กี่วันอันนี้ให้อันนี้ให้เห็นว่าสังคมนี่ระดับผู้หญิงวัยรุ่น หูอหญิงวัยรุ่นน่ะใครๆก็อยากจะแต่งงานแบบให้สมเกียรติหน่อยใช่ไหมแต่บอกกับพ่อแม่บอกว่านบีขอแล้วแสดงว่าไม่เสียหายแนะ่นอะนพูดกับพ่อแม่แต่งงานกับยูเลบิบไม่กี่วันเกิดสงครามยูเลบิบก็ไปกับกองทัพสงครามยติลงท่านนบีก็บอกว่า ไปดูสิเราสูญหายใครบ้างก็มาไนงานสูญหายคนโน้นคนนี้คนี้ท่านนายบิ๊อแล้วดูลบีบล่ะไม่เจอไม่เห็นนะ่ะดุเลบีบอ่ะก็ก็ไปหาไปตามอีงทีหนึ่งเพราะบวช ด, ดูเลบีบตายอยู่ข้างๆผู้ชรีกินอยู่เจ็ดคนดุเลบีบเนี่ยฆ่าทั้งเจ็ดคนแลน้วก็เจ็ดคนนี้ก็รุมฆ่าเขาก็ปเปในงานท่านนาบี น บ, บีก็เลยมาพวกชัยอิทนี่ก็จะไม่อาบน้ําไม่อาบดำยันนาซัยแล้วนบีก็มาแล้วก็กวางศีรษะบนตักบนแขนท่านน บ, บีอาว่าที่เราย ง, งานบอกว่าไม่มีหมอนที่รองศีรษะอยู่เลบีบนอกจากแขนท่านน บ, บีเราบอกว่าอ้อลอชันเนี่ยพอใจ لا سمح حرياء خويل لم يجعلوا أهلها ل ل ه م صب عليها الخير صب, صب ولا تجعل عيشه ك د ا و الله ي ب ر ทุ่มเทความดีกับเธอให้มากมายและให้ชีวิตของนางอย่าได้ให้นางมีความลำบากแม่ตบ น, น้อนพูดรายงา น, นฮาริสบอกว่าผู้หญิงชาวอังสอร์ไม่มีใครร่ำรวยในชาวอังสอร์เนี่ยว่าผู้หญิงคนเนี่ยหมดจดจ่กลายใจก็ไปดูเอาของเต้นเดบี คือผู้หญิงคนนี้ก็ไปแต่งงานหลังจากโดนไรวีบเสี ย, ยเยอะไปแต่งงานคนอื่นแต่ดูสิว่าเขาไม่ขืดนดั้นอะพีถ้าเขาไม่รับอะเธาก็ไม่ได้แต่งงานกับคนนี้แหละจะได้ดูอาตัวนี้มไหมและชีวิตของเขาตลอดไปเนี่ยจะสุขสบายไหมอันนี้แค่ตัวอย่างของชาวออนซอรที่เป็นวัยรุ่นที่เป็นผู้หญิงอะนะที่ที่ถูกอูกฝังว่า อะไรที่เอานอสัง่งอะไรที่น บ, บีสัง่ง อ, อ, อะไรที่นอขออะไรที่ตบีขออย่าได้สงสัยว่ามันมันต้องมีความดีมันต้องมีคุณงามความดีแนะ่นอนฉะนั้นสาหรับผู้สถานมาตรฐานที่จะทําให้ผู้นำแล้วก็ผู้ตามไปได้ง่ายที่สุดเนี่ยถ้าผู้นําแล้วก็ผู้ตามเนี่ยมีมาตรฐาน ที่เชื่อฟังเหมือนกันมุสลิมมาดูกันสิเราจะเอาอะไรที่เรายอมสยบกันยอมรับกันทั้งผู้นาและก็ผู้ดักดีกว่าวดีกว่าหลกักการศาสนาไม่มีใครจะเหนือกว่าหลกักการศาสนาผู้ผู้นา คือผู้นำถ้าหากว่าวันหนึ่งวันใดเนี่ยเขาจะสถาปนาตัวเองเหนือกว่าการศาสนาอะไรที่มัน ห, หาฮาแบบนี้แล้วเขาบอกว่ากูทําทําไมกูเป็นผู้นําผู้ตามเขาก็จะไม่ยอมรับในความเป็นผู้นำํำพอมาตรฐานจะไม่ให้เชื่อฟังผู้นําแบบนี้ผู้ตามก็ต้องหาผู้นําที่ มีความสามารถมีคุณธรรมเพียงพอที่จะให้มาตรฐานนี้สร้างความศักดิ์สิทธิ์ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับผู้ตามและนี่แหละที่จะให้สังคมที่มีประชาชนร่วมอยู่ด้วยกันนะ่ะนะสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆและก็จะมีชีวิตชีวา فيك سواه نفث م ن يغنى أيه ي سبسينا صورة خ ف ا ل في الله سبحانه وتعالى ذلك لغوى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله ل إذا د ع ا ك م لما ي ح ي ي ك م ا وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تشرون ح أو من نافوس تانع ا ل ในสุรามะดานียในสุรที่ประทานว่ที่มดีนะนะยะอายุัลลีนะอัมาดุจะเยอะกว่าอยุฮันสน้อยกว่าแต่ที่มักการนี้ยะอายุหัลลาีนะอลมนีน้อยทำไมะมัยังไม่เคยมีเลยยูอุสตายะอยัลลีนะไม่คยมีเลยจะพูดกับมนุษย์มนุษย์ตัวไปมากกว่า เลย์ أيها الذين آمنوا لِبُدِّ ا ل ْ ب <sposób> ُ خ ْ و ل َ أ ي ا ت ِ ي يا أيها الذين آمنوا แสดงว่าคำสั่งในอายะนี้เนี่ยจะต้องเป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับโครงสร้างของชีวิตมุสตาธ์เพราะงั้นเราไม่เอามาใช้เพราะกาเรีนากำลังจะสั่งอะไรก็สั่งอะไรที่มันที่มันมีความศรัทธาเป็นบเป็นบรรทัดฐานอยู่ ถ้าไม่มีความศรัทธานี่ก็ก็ต้องก็ต้องมาพูดเรื่องความศรัทธาโอมนุษย์ทั้งหลายจงศรัทธาเพราะเขายังไม่ได้ศรัทธาแต่นี่เขาศรัทธาแล้วมีมีฐานละหางนิดที่จะทำให้การดำารงโครงสร้างของสังคมผู้ศรัทธาเนี่ยมันจะง่ายลง ควรไม่บังควรเลยนะในครอบครัวกด็ดีในกลุ่มจามาราในองคอ์กรที่มีผู้ศรัทธาด้วยกันนะไม่ควรที่จะมาลังเลกันนะลังเลกันในเรื่องหลักการศาสนาความเป็นสมาชิกในครอบครัวสามีก็เป็นมุสลิมภรรยาก็เป็นมุสลิมลูกก็เป็นมุสลิมเะว่าอมเรื่องหลักการศาสนาเน เราต้องพยายามปลูกฝังให้หลักการศาสนานี่ต้องเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววิธีนี้ง่ายที่สุดในการที่จะจำกัดทุกปัญหาที่มันพูดยากเช่นปัจจุบันนี้ที่วัยรุ่นมุสลิมกำลังกลังไ ป, ไปกันใหญ่ จะเอาลกักการศาสนามาพูดกับไวัรุ่นมุสลิมเรื่องสามนิ้วมันไม่จุประเด็นมันไม่จุดประเด็นใหญ่แต่ถ้าหากว่าพ่อแม่แล้วกับลูกๆเนี่ยคุยกันแล้วตกลงกันแล้วอะตุกอะไรที่มันใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราสลางแรมเรียองอื่นถ้ายังอื่นนี่มันมันต้องเรียกมาคุยไหม ถ้ามีอะไรอย่างอื่นที่มันใหญ่กวอิสลามอานะุหูต้องมาคุยใหม่ละต้องมาสอนใหม่อย่าไปเสียเวลาอะไรที่ใหญ่ที่สุดในหัวใจของเรานี่มีใหญ่กว่ามั้ยนะมีใหญ่มีใหญ่กว่านบีไหมต้องชัดเจนเรื่องนี้ละหมาตคุราุานอะไรแบบเนี้ยแต่นี้มันมีอะไ ร, ม, ะไรมีอะไรสําคัญกว่าพวกนี้ไหม มันต้องคุยเรื่องนี้เนี่ยให้ชัดเจนนะถ้าชัดเจนตรงนี้แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องอื่นเขาจะถ้าถ้าไม่คิดช่วงนี้ตอทีหลังเขาก็กิดแต่ไอเรื่องที่มันยังยังยังอะไรอะซับซ้อนหน่อยยังละเอียดอ่อนหน่อยเรื่องการเมืองเรื่องฝ่ายนน้นฝ่ายนี้เรื่องอะไรเนี่ยพูดแล้วเถียงไปเถียงมามันก็ คือบางทีเนี่ยผิดกันทั้งคู่บางทีก็ถูกกันทั้งคู่นม่ออกมามันจะมาทวงว่าคนนี้ถูกร0 0เหรือคนนี้ผิดร้อเป็นไปนไม่ได้เอาเปเรื่อง เ, อ เ, เรื่องเอาเปเรื่องเรื่องบางทีฝ่ายนี้ก็มีถูกฝ่ายนี้ผิดบางทีฝ่ายนี้ก็มีผิดฝ่ายนี้ก็ถูกชัดๆบางทีก็ผิดกันทั้งคู่แต่เราจะมามาว่า อ๋อนี่ใบนี้ถูกหมดอ๋อใยนี้เป็นเด็กไม่รู้เรื่องมันมันไม่ใช่ให้ผู้ศรัทธานี่คือก็มีจะมีความสามารถในการที่จะตรวจสอบว่าอะไรผิดอะไรถูกนี่นะถ้าหากว่าเขามีบรรทัดฐานที่มันศักดิ์สิทธิ์ จ, จริถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยไปตรองแล้วตรวจสอบแล้วเขาผิดในการ ให้คะแนนกับประเด็นนัวอะไรผิดอะไรถูกแต่ถ้าหาว่าในหัวจะผมเขาเนี่ยหลักการศาสนามันยังสูงอยู่แล้วนะมันยังสูงอยู่แล้วเนี่ยยงเถียงได้เออทําไมอย่างเงี้ยทําไมมันแบบนู้นอะ่ะทาไมมันไม่ตรงกับอญญายะเนี่ยทําไมมันไม่ตรงกับหลักการเนี่ยมันพอเถียงได้ไม่ต้องกลัวสําคัญที่สุดในสังคมว่าเรามาคุยกัน ผู้ตามจะตามผู้นําและผู้นําจะปกครองผู้ตามด้วยอะไรเอาแค่ในสังคมมุสลิมก่อนนะด้วยอะไรหลักความชอบที่จะให้ผู้ตามยอมรับในผู้นําจะให้ผู้นํานี่สามารถใช้บังคับผู้ตามคืออะไร ตยเขาทำอะไรกันอนี่อัลลอฮบอกว่าให้ผู้ัทธายอยฮลลีอามนุสต์จีบอิสต์จีบุบันดาทาทั้งหลายงตอบรับอัลลอฮะเราตอบรับ มีฮะดีสรางานโดยอับูย่าแหละฮะบันจึยมัลกับไม่ผิดงานบอกว่าท่านนบีสุลตานะฮะอยู่สัตย์ละละหมาดเสร็จแล้วที่เมื่อศีแล้วก็มีสหายกำลังลมาสุดในบีก็เรียกนบก็เรียกสหาาลังลหมาอยู่นะนบี ซาฮาบะก็ไม่ไม่ไม่ตอบรับก็คือไม่ได้ออกจากละหมาดแล้วก็ไม่ตอบรับน บ, บีพอละหมาดเสร็จแล้วก็มาหาท่านน บ, บีแล้วบอกว่าท่าีครับพอดีผมกําลังละหมาดอยู่ทุกท่านด้วยผมละหมาดอยู่น บ, บีก็เลยบอกเขาว่าเจ้าไม่ได้ยินอายะที่อัลลอฮ์บอกว่าอิอยูฮลละดีนอาห์ริน ผู้สัาทั้งหลายจงตอบรับคำา้อแล้วเราซู้เถิดเมื่อเขากระเม่อท่านกท่านพราะราู้นได้เชิญชวนพวกเจ้าสู่สิ่งที่ทำให้พวกเจ้ามีชีวิตชีวาเจ้าไม่ดีอายานิลก็แสดงว่าคำสั่งของท่านนบีสุลต่าช่คสันบีเรียกเรียกแค่เรียก มีค่าพคนที่เขาละหมานี่ละหมาดเพาะอะไรเพราะเราเรียกใช่ไม่มเพราะเราเรียกให้ละหมานไงเขาก็ละหมานนน บ, บีเรียกการเรียกของท่านน บ, บีนี่นก็มีค่าเหมือนเนี่เราเรียกน บ, บีจะจะไม่ให้ออกจากละหมานเพื่อเรื่องไรสาระหรอกปรากฏว่าในฮะดีษเนี่ยพอาะท่านน บ, บีเรียกแล้วบอกว่าจะบอกสุร้อนหนึ่งที่มีคุณค่ามาก สำหรับเจ้าให้ยึดมั่นไว้ให้ในน บ, บีแนะนน้ำซุนอัลฟาติฮะเป็นความรู้ที่น บ, บีให้เป็นของขวัญกับซุฮาบะซึ่งเป็นเรื่องน บ, บีให้ความรู้แบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครก็ใคร ก, ใครก็ได้นะฉะนั้นคุณค่าของความรู้ที่เขาจะใช้ทั้งชีวิตเนี่ยย่อมดีกว่าแต่ละมาซุนเนี่ยเพียงสองนก็าจใช้เวลาแค่หนนทีนเองใช่ เานบีนบีจะไม่ทำให้เราเสียหายแน่นอนแต่บระเด็นของฮาดิษของฮะดิษเนี่ยที่อุลามาส่วนมากเนในนะในในในเาดับซีนเนี่ยเขาก็จะหยิบยกฮาดิษผลเนี่ยมาอธิบายอายะเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของการตอบรับสนองตอบรับคำสั่งของอัลลอฮฺลลาฮฺเราละซุ่แต่ที่มันชัดมากกว่าเนี่ย เพราะคาสั่งของอัลลอฮ์นอันี้แน่นอนมันชัดเจนอยู่แล้วไงเราสั่งแต่คําสั่งของท่านนาบีในฐานะที่เป็นมนุษย์อันนี้ที่คุณอ่านจะต้องกําชับและนบีก็จะต้องมาสั่งสอนเพราะมันเกิดความสงสัยบ่อยครั้งหรือเกิดในสังคมสังคมมัตินาโดยเฉพาะกับคนที่เขาอาจจะมีหัวใจยังไม่หนักแน่นในเรื่องอิมัต ลอลสั S <S ่งนมีไม่ได the ้สั่งเราจะเชื่อฟังทกสั่งเลกก็จบนบีนบีก็ต้องมาคช้ำบอกว่าที่นบีสั่งก็เหมือนที่อัลล์สั่งนี่แหละเอ้านบีจะห้ามได้ไงอัลล์ไม่เห็นห้ามเลยนบีก็ต้องคำช้ำบอกว่าทิที่นบีห้ามนี่ก็เหมือนที่อัลลอ์ห้ามนีหละแต่ฮะดิษก็จะเป็นแบบนี้ที่สนบีการตอบรับเนี่ยหมายรวม เขาว่าอะไว่าอิสติจ ا มะค ا อไอ้ ا นที่อิส ا ิจีบอิส ا ิจามะอิสติจามะนี่จะเป็นอ ا การสนองตอบอิสติจามะเนี่รา มุตตะจาบถูกตอบรับใครตอบรับอ่ะอัลลอฮ์ตอบรับนี่เองแต่นี่เราขอเราวิงวอนอัลลอฮ์ตอบรับละอาที่เราขอที่เราวอนตอบรับนี่อัลลอฮ์สั่งเราก็ตอบรับบัญช้าก็ไม่สมัยอิสติจับบอิสตจีบจึงเข้าใจง่ายไงนี่ขณะเราขออัลล์นี่ อัลลอ์ยังตอรับเลยแ ล, ล้วอัลลอ์สั่งเราทำไมจะทำไปจะงี่งเง่ากันออ่ะเราควรดูอัตอลลอฮ์นีนบีบอกไปมีดูอานนี้เราควนี่เนวันแต่อลัลลอฮ์นี่ตอบรับหมดจะให้ทันทีจะให้ทีหลังจะให้ในดุนยานี้ให้วันเกียร์มาเนี่ไม่ต้องแค่อลัลลอฮ์ตอบรับจะให้แบบนี้ให้อีกแบบหนึ่งอลัลลอฮ์จะให้แน่นอนตอบรับเลย นี่ขนาดเราดูอ่านี่อัลลอฮ์ยังตอบรับแล้วที่อัลลอฮ์สั่งอะไรมานี่ทำไมเราจะลังเลละ่ะต justi ตอบรับสิด้วยอัลลอฮ์หรือด้วยรัูมแล้วรัมไม่ได้บอกว่าตอบรับทุกอย่างโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยคุณสมบัติของบรรทัศน์มันต้องมีเหตุผลนะ กฎหมายทําไมกฎหมายมันจะสึกษามันมีเหตุผลอะทาไมอะรถไปชนเขาก็ต้องมีค่ะปับต้องมีคุกต้องมีอะไรนี่ใครก็เป็นแบบนี้หมดคนรวยคนจนเนี่ยก็เป็นแบบนี้หมดขอใช้กับคนรู้ใช้กับคนนี้เนี่ยสังคมยอมรับใช้หมดไม่มีโควิดแต่ที่คนหนึ่งทําความผิด ถ้าูคนที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายนี้นะหาทางออกให้คนหลุดพ้นจากกฎหมายนี้ความเสียหายนี้เกิดขึ้นไม่ได้เสียหายเกิดไม่ได้เกิดความเสียหายกับกับผู้นำมนอนะ่ะให้มันเสียหายกับความศักดิ์สิทธิ์ของของมันต้อมานจะถาแตนะ่ของกฎหมายอ่ะ มันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมันจะไม่มีคนเอาอีกแล้วแด้กก็ตามชนกันชนกันลวไม่สนใจกันแล้วไงชีวิตไม่มีค่าแบบเนี้ยและถ้าหาว่าสตังมันเป็นมาตรฐานที่มีน้ำหนักมากกว่าในสังคมก็แสดงว่า ไม่มีมาตรฐานอะไรที่จะเหนือกว่าสตังอีกต่อไปสตังกำมังดางทุกอย่างซึ่งในมุมมองของผ ม, มนะในแต่ละสังคมเวลามีคดีหรือปัญหาใหญ่โตเกิดขึ้น ถึงขั้นที่ผู้นำผู้บังคับบัญชาผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยขืนไม่ใช้กฎหมายยกเว้นกฎหมายชัดๆแบบนี้ในสังคมมันนะมันไม่น่าจะเป็นปัญหาที่เกิดครั้งแรกในสังคม คือมันเป็นกันแบบนี้มานานแล้วแล้วก็ปล่อยปะละเลยกันมานานแล้วแล้วบางทีนะไม่ใช่คนที่มีสตังค์ไม่ใช่คนรวยบางทีก็คนไม่มีตังค์เยอะแล้วนะเจ้าหน้าที่เรียกตังค์หน่อยอาหาตังค์คนที่ไม่มีตังค์หาตังค์จะได้บิดผิวกับกฎหมาย เราก็ทํางานมาแล้วไม่ใช่คนรวยอย่างเดียวนะดังนั้นพิ่มเพิ่พจะมามาประสบเฮ้ยอย่างนี้คนรวยก็ก็ไม่ใช่ครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยอย่าว่าอย่าว่าคนรวยนะคนจนนี่แหละมันม่เกี่ยวกับเรื่องคนรวยกับคนมันเกี่ยวกับว่ากฎหมายนี่สามารถบิดผิวได้ด้วยเม็ดเงิน ใช่มีมีเม็ดเงินนี่ก็สามารถเป็นน้ามันหล่อลื่นเป็นที่รู้กันเป็นที่เข้าใจครับมันไม่มหยิบปัญหาที่เกิดฉะนั้นสังคมไม่เองต ก, ออกตกใจนะโอ้โหทไมทำไมสังคมของเรามันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้มานานแล้วอะ่ะใช่ไหมอย่าไปตกใจกันขนาดนั้นมันมีมานานแล้ว แล้วก็เราปล่อยปะละเลยกันมานานแล้ ว, mm. แ, ลวแล้วทำยังไงอ่ะเอาใหม่เอาใหม่สร้างมาตรฐานใหม่มันต้องเริ่มต้นน่มันต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดเริ่มต้นนี่มันก็ต้องมาทั้งสองฝ่ายนี่แหละก็ฝ่ายผู้นำกันนี่มาดูที่ผมบอกว่า คุณสมบัติของมาตรฐานเนี่ยมันจะได้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าต้งตอบรับอัลลอฮ์ละลาฮูลโดยไมนะ่มีเหตุผลน่ะนี่เหตุเหตุผลที่ยอดเยี่ยมมากที่เดียวเมื่อเขาคือควรที่จะใช้สรรพนามนี่เมื่อท่านน่ะเมื่ออัลลอฮ์ละลาฮูลเนี่ยได้เชิญชวนอิสลามกุมสังเกตนะดาวาดาวาเชิญชวน การียาเดียวกับด่าไม่ว่ามีวอายด่ายดูด้วยด้วยารียเดินนะด่ายดูด้วยด้วยการียาเดินชวนชวนด้วยด้วยชวนชวนด้ออเดี๋ยวนี้ต้องพูดภาษาอังกฤษนะอินเล ดาว่ยากดกรีเหมือนกันเลยนะดว่การีอดีตยากดูการี่เนเล็กอนะคุด้วนวิมวนมันไปมันไปต่างกันที่นามด้า์นดอยกดเหมือนกันเลยนะอันนี้วิมวอนนะอันนี้เชิญชวนดาว่าอนุดาวัตัเชิญชวนเชิญชวน ก็ดาววานี della, ่ก็คือเชิญชวนไงเราบ่ดูอ้าตอนดเราดูอาตอ a อ l a h Allah ก็ดูอาเราหมายถึงว่าเชิญชวนเราไม่ชไม่ชวิงวนแล้วนะนีสีดาว่ากุมก็คือเชิญชวนดว่าอนนี้ก็คือดาวอววนถ้าจะ ชั้นต่ำเนี่ยเราดูอาตอวองวอนแต่ถ้าคนชั้นสูงเชิญชวนและนี่คือเหตุผลว่าทำไมด่าว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นภารกิจที่สูงส่งว่าอย่มันเป็นการเชิญชวนคนที่อยู่ในคุณธรรมคนที่อยู่ในความดีเขาเชิญชวนคนที่ยังไม่รู้คุณธรรมเชิญชวนเขาอยู่สูงกว่า แสดงนี่เรืงเกียวกับเรกิจดาว่าเพราะดาว่าไดเป็นเรื่องที่สูงส่งในาดาว่ากล่มเหตุผลที่ที่ว่าเราจะตอบรับสนองตอบรับอลโลกสุภาราชาละ่ะคือเชิญชวนพวกเจ้าสู่สิ่งที่ทำให้พวกเจ้ามีชีวิตชีวาขึ้น lima ยี h i สงคมจะคึกักจะมีกิจกรรมคึกคักจะมีการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างผู้นํากับผู้ตามในเมื่อมาตรฐานเวลาผู้นําสั่งการพูดผู้ตามมันมีเหตุผลที่จะเชื่อฟังเพราะอะไรอ่ะเชื่อฟังแล้วมันจะมันจะเอิบอิ่มมากมันจะรู้สึกเต็มใจอ่ะเต็มอกเต็มใจอ่ะ จะมีชีวิตชีวาให้ความร่วมมือให้การเชื่อฟังถ้าผู้นำขาดคุณสมบัติคุณสมบัติของคำสั่งสั่งแล้วไม่มีความชอบของคำสั่งสั่งทำไมเพื่ออะไรเพื่อใครบี สหบาตรบริจาคบริจาค zakat บริจาคท่านบริจาคสหบาะรเขาเห็นนบีอ่ะ zakat เอวมานบีก็แจกจ่ายเพราะเขาเห็นชีวิตของท่านนบีชีวิตเป็นยังไงอ่ะบ้านของนบีอยู่ยังไงอ่ะกินอยู่ยังไงอ่ะเสื้อผ้านบีเป็นยังไงอ่ะ ข อ, อน บ, บีเรียกร้องให้บริจาคบริจาคน บ, บีไม่ได้เอาไปใช้กับตัวเองน บ, บีไมได้ปซื้อวังใหญ่โตไปซื้อรถจนดหรูหาไปเด้ภรรยาของท่านน บ, บีทั้งหลายเนี่ยไม่มีไม่มีบางทีเนเดือนสองเดือนไม่มีอะไรจะกินนอกจากกินผ้าล่ะแล้วก็น้ำป่า<น>จึงเห็นว่าคำเรียกร้องของท่านน บ, บีซาลา ล, ลั่นและ มันมันน่าเชื่อฟังน่าสนองตอบรับทีบบอยูฮีกูนบีจะไม่เรียกรอ้องอ่าไมนบีนั่นก็คือคำคำสอนในศาสนาที่นบีจะเป็นผู้สื่อสารให้เนี่ยนบีจะไม่สั่งในสิ่งที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับประชาชน สังคมก็ตัวอย่างของเรื่องภรรยาของยูเลีบิมกุลันมาก็หยิบยกสําหรับยี่กลุมชีวิตมีชีวิตชีวาแต่งานกับยูเลยบิไม่กี่วันสุดท้ายยูเลบิมก็เสียชีวิตชีวิตของเธอนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้จบสิ้นนะ หลังจากนั้นเธอก็แต่งงานกับคนอื่นแต่รับรวยจนกระทั่งพ่อนบีขอดุอิศหลังจากจุเลบีบเสียชีวิตแล้วก็เธอก็เป็นแม่ไ ม, ม้แล้วนะหนบีก็ขออุทิศให้จุเลวีฟโอ้อระเจ้า oh, มีฉันพอใจจุเลบีบแล้วได้ปโปรดพอพระทยต่อจุเลวีฟด้วยแสดงว่าที่ท่านนาบียอมทําตัวเป็นพ่อเสือให้จุเลบีบนี่ไม่ธรรมดา ยอมที่จะไปขอสาวของชาวบ้านให้เขานี่นะแสดงว่นานบีรู้รูว่าคนนี้ไม่ธรรมดาก็าขอดูเอาให้ดูเลยลวีบเลยก็ขอดูเอาให้ฟัระยาที่เป็นม่เลยอัลลอฮุมมัสุบะะเลยะลขัยรซับบันซับขอให้เธอได้มีความดีได้มีได้มีริสกีมากมายคือซับบันซับเป็นสมุดซับบันซันบ สับบานี่คือเทอ่มดูอ่านฝนตกเนี่ยอัลลอฮุมะสอยิบันแหนบเนีคือให้ให้ตกมากมายแล้วก็มีประโยชน์มีบารักาอัลลอมาสุบบาน ah um so อะไรย่างเงี้ยซับเทเทความดีเทรสกีไปให้เธอเพราะว่าไม่มีใครรวยไม่มีใครบริจาคใช้จ่ายมากกว่าภรรยาคมอ ย, ยู่ในบีบีในชาวอังสวร เพราะอะไรพบบระกาความจำเริญของการสนองคำเรียกร้องท่งนานนบีเรื่องเดียวนบีขอให้แต่งงานจบนบีนบีขอนี่เราจะเสียหายเด่นในแล้วก็เธอเสียเสียสลัชีวิตของเธอนี่ไม่กี่วันนะที่ปฏิบัติตามบัญชาของท่านนาบีเนี่ยสมมติว่าอาทิตย์หนึ่งนะ ทำต า, ามาาบัญชาอวีนบวีให้แต่งงานแค่เธอก็แต่งงานเจ็วันจุเลบีพอกเสียชีวิตแล้วก็ที่เหลือในชีวิตของเธอทีกทั้งหมดเลยอะนะชีวิตชีวาคือมีบรรการตลอดเพราะอะไรเพราะตอบรับคบสัง่งเดียวสุดที่กิน ด, ดูสิถ้าเราสนองตอบรับคือมันจะไม่เคยรู้สึกหรอก ว่าเราได้สนองตอบคำสั่งของอัลลอ์แล้วเราซูนโดยเลือกข้างถ้าหากว่ามันไม่มีอะไรมาแยงเหมือนพ่อแม่แยง้งนบีขอแต่พ่อแม่ไม่เอาด้วยแต่เขาเลือกใครอะเลือกนบีมันก็เลยมีค่าชีวิตของเรานี่นะก็จะมีอะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่เยอะ เพราบางทีเนี่ยเราสนองคำเรียกของอัลลอฮฺเราสูไม่มีอะไรแย่งมันก็ปฏิบัติง่ายฮะสีสามมงครึ่งอย่างเงี้ยไม่มีริเวอร์บูกับเมนูไม่มีไม่มีแม็ไม่มีอัลลออับารัอัลลบรั้ไเลวไเลง่ายเหลือเกินโอ้โหนี่ เราสูเรียกเราสนุก ส, สแต่ถ้าหากว่ากําลังมีแมตช์กำลังเล่นอยู่ทีมสโมสรโปรดของเขาอะนะลังเลแหละลังเลแหละจะไปละหมาดหรือจะดูบอลไปละหมาดหรือจะดูบอลแค่ลังเลเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีมาตรฐาน ไม่มีสายตาเพียงพอที่จะมองเห็นคุณค่าคําสั่งหอนลอลร์ร่าซูลโดยที่เอาเรื่องของโลกดุญญนยาเนี่มาทิ้งคำสั่งของลอซูลแค่ลังเลนี่นะสอบตกแค่ลังเลนะยังไม่ได้คือยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะแค่ลังเลจ ะ, จะดูบอลดูจะไปละหมาดเอาสุดท้ายละหมาดสุดท้ายละหมาดามาแต่ก็แค่ลังเลนี่ก็สอบตกแล้ว ทำไมเพราะมันไม่ได้เกิดอิสติยาบะอิสติยาเรก็คือตอบรับไม่ได้ตอบรับ ท, ทันทีหัวใจยังชั่งอยู่ผู้บอกแสดงว่าสงสัยเหรอว่าบอลเนี่ยอาจจะดีกว่าแล้วมะยังสงสัยปะมีข้อสงสยัยไหมถึงลังเลีะถ้าถ้าไม่มีข้อสงสัยนี่มันจบไม่ต้องลังเลชีวิตของเราเนี่อาจจะไม่เจอบ่อยนะ แต่บอกได้เลยว่าเจอเมื่อไรแล้วก็สแสดงสแสดงความเป็นผู้ศรัทธาสักหน่อยสักหน่อยถึงแม้ว่าฝ่ายที่กำลังแย้งกับคำสั่งของอัลลอฮ์นี่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราจะเสียหายขนาดไหนอ่ะน ะ, สะแสดงให้อัลลอฮ์ได้เห็นสักหน่อย ยังไงเราก็เลือกไทยเลือกเราเอกเสู้ทำไมผมบอกว่าความลังเลเนี่ยมันอันตรายทำให้เราอาจจะถึงถึงระดับที่อาจจะสอบตกก็ได้นะเพราะอะไรเพราะช่วงที่เราลังเลนั่นน่ะเราไม่รู้ว่าปัจจัยอะไรที่จะแทรกแซงเข้ามาให้เราเลือก ตังตังแย้งอะังแย้งอเม้อไปสมัคสมัคงานใหม่น่ะอ่าเขาก็สัมภาษกว่าอ่าไม่เขาที่มันเฮ้เธอจะเป็นจะเป็นเซลต้องหน้าตาดี ยิ่งจะไปบอกเขาว่าเออถ้าผมอาจจะมีต้องมีเวลาละหมาดบอกบอกไว้บอกไว้ก่อนนะนะมีเวลาละหมาดในละหมาดเลยมีเวลากินอาหารอย่างเดียวตรงนี้ละหมาดไม่มีอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดทมอ่ะมันก็ต้องรูง้หรอช่ไมันต้งรูง้ต้รูหรอไม่มีงานต้องไง อะไรแบบนี้ในชีวิตของเรานี่ก็จะเจอนะจะเจอก็อยากจะบอกว่าเอาตัวอย่างของครยาอยู่ในบีบเนี่ยป็นแบบนี้อย่าลังอยสงสัยเลยเลือกข้างอัลลอนี่นะชน ะ, สะเสมอแม้ว่ามาตรฐานของเรานี่จะมองว่าเสียงที่มันแย่งคำเรียกของอัลลอเนี่ย ถ้าเราขัดมันนะ่ะเราจะเสียหายอย่างนู้นจะสาหัสขนาดนั้นแม้วต่เสียงข้างในนี่บอกว่าระวังความเสียหายอะนะอย่ า, นะ อ, ยาอย่าไปเชื่อเสียงนี่อย่าไปเชื่อเสียงทุยเดิดขาดโดยเฉพาะถ้าหากว่าระวังคำเรียกของอัลลอฮ์แล้วก็ข้อแย้งของของโลกูกของมนุษย์นี่นะ มันชัดมันชัดมากหมายถึงว่าอัลลอฮ์สั่งเราสั่งให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราทำได้แล้วเรารู้ว่ามันไม่ได้เสียหายถึงขั้นีว่าคือแน่นอนคือจะมันเสียหายถึงว่าถ้าอัลลอฮ์บอกว่าให้ละมาสมมตินะ ละหมาดลงละหมาดดูรี่แ้าละหมาดดูเดี๋ยวนี้เนี่ยระเบิดกำลังลงมากำลังลงมาก็ตายดิแน่นอนศาสนาเราก็อย่าเพิ่งละมาแน่นอนแต่รู้ในใจอ่ะนะว่าเออมันมันความเสียหายมันไม่ไม่ใหญ่ขนาดนั้นแต่เราอยากได้เงินเดือนเราอยากได้ทํางานที่นี่พราที่รักมันอยู่ตรงนี้เนี่ยจะได้เจอกันจะได้คุยกัน แฟนอยู่ที่นยอยู่กับเขาถึงจะละหมาดไม่ได้แต่ก็ยังคุยกับแฟนได้อะไรแบบประมาณประมาณ น, นี้รู้ในใจว่าไอ้เสียหายนี่นะมันก็สิ่งที่เราคิดว่ามันทดแทนไม่ได้ในโลกนี้และไม่เชื่อว่าอัลลอสุบฮนานาอูดาลาสามารถทดแทนให้เรา มากกว่าที่เราคาดคิดสังคมของเราเรื่องนี้ก็มีบ่อยนะในรุ่นเยาวชนชอบผู้หญิงคนหนึ่งสมน่ะชอบผู้หญิงคนหนึน่งชอบมานานแ ล, ะละ้วล่ะทั้งสวยทั้งรวยทั้งอะไรไม่มีศาสนาไม่มีศาสนาไม่อะไรแล้วก็อยู่ดีดีก็มาเรียนตับส روه أ <سؤالي> س س ا ه ن س أمواله هو حديث نبيه وهو أ ظ ف ر ن ي نبي رجلنا ي ا ظ ف ر بذات الدين تون ل ك س ا س ا ً ب ي ق ا تير شيء خروج سانيني كذا คนนี้เนี่ยทีทุกอย่างเนี่ยทั้งตระกูลทั้งรวยทั้งสวยแต่ก็ไม่มีศาสนาเอาอย่างงี้มาใช่ผมเข้าก่อนนะแต่งงานก็ก่อนแล้วก็ดูวก็ให้ศาสนาเดี๋มันมาที่หลังค่อยๆและนบีไม่สามารถที่จะเสนอแบบนี้แหละนบีนะนบีทาไม่เป็ น, นอ่ะเฮ้ยเจอคนสวยคนรวยอ่ะนะเอาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอรู้อลเฮอ a l l ให้ศา ส, สนาแล้วนบีพูดบบนบีไม่เป็นอ่ะ แล้วนยก็ไม่ใช่มันโอกาสมันไม่ได้มาแบบนั้นเก่งกว่าตัวเองอะน ะ, ะตัวเขาเนี่ยไม่มีศาสน า, าสลับกันก็ได้แว่าหาว่าทุกทีเนี่ยผู้หญิงนะนะ่ะไม่มีศาสนาเนีบางทีเนี่ยไอ้ตัวผู้ชายมีแหละมาขอผู้หญิงทั้งรวยทั้งหลอ่อทั้งฮนะแต่ไม่มีศาสนาอ่า ผู้หิงก็มาปรึกษาบอกว่าเขาก่อนไหมแล้วก็เดีหนูก็เชิญชวนเข้ามาฟังตัสศีแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นเดีวก็มีศาสนาดีขึ้นน่อนะคําตอบก็คือเธอก็มาเธอก็เธอก็มีศาสนาใช่ไหมและใครอื่นไม่มีใช่ไหมแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสว่าได้คนรวยคนหล่อคนตระกูลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เกรงว่าเดี๋ยวที่สุดนี่นะเธอก็จะไม่มีศาสนานะ เออเพราะเขาเนี่ยเขาอาจจะเคร่งในเรื่องไร้ศาสนามากกว่าศาสนาของเธอแล้วก็ไม่รู้ใครจะเชิญชวนใครกันแน่โอกาสก็ไมีใครรู้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าไอ้ความลังเลนี่แหละในการที่จะสนองตอบรับของเรืยังลังเลเสียงแยงของของดุนของดุนยาของโลกของมนุษย์หรือเสียงเรียกของของอัลลอฮ์นี่นะ الله ما هو راعنا، وعلمو لَكُمْ ر ُ ؤ ت َ ه ُ ذ َ ا أ َ ن َّ ل َ يَحُولُ بِالْمَرْءِ وَقَلْبِهِ لَكُمْ ر ُ ت َ ه ُ ذ َ ا แท้จริง الله نان จะท่งกَ ن ْ ب ِ ي َ ق ْ ن يَحُولُ الله จะท่ง قَنْ ب ِ ي ْ ن َให้มี ر َُ้ ب ِ ي َ ق ْ ن ระหว ان บุคคลกับหัวใจของเขาของตัวเองมันเหนือเชื่อนะหัวใจนี่มันอยู่กับตัวเราหัวใจนี่ก็คือสมองเนี่ยสมองเงนกันก็หมายถึงววาการตัดสินใจเนี่ยันอยู่ที่ตัวเราทล้วเราความเสี่วาและผูพึงรู้ด้วยอัลลอฮ์สามารถที่จะกั้นระหว่างเรา แล้วหัวใจของเราก็หมายถึงว่าช่วงที่เราลังเลแทนที่จะเลือกสิ่งที่มันมีชีวิตชีวาที่มันดีอย่างยั่งยืนนะเราดันไปเลือกสิ่งที่เราคิดว่ามันมีผลประโยชน์แต่ระยะสั้นถ้าเรามองไม่เห็นเนื่องจากว่าเราลังเลเคยเจอไหมตลาดนักอย่างเงี้ย หลังขของของหาซื้อยากเอาไปเลยชิ้นนี้สองรอบาทหมดแล้วหมดเลยก็มีคนหนึ่งมายืนระยสิบได้ไหมสองร้อยราคาเดียวตัดสินใจให้ดีนะบังไม่หมดแล้วหมดเลยเราก็ลังเลเดินไปก้าวหนึ่งกลับมาเอาเอาเอาหมดแล้วค่ะา อะไรประมาณนี้ลังเลลังเลจะตอบรับอัลลอ์หรือเปล่าอ้าหัวใจถูกตะคุบไปแล้วถูกหลอกไปแล้วจะพูดว่าในบรรย์และหัมใจึองบอาว่าเป็นระเดชานุภาพอา่อนล่ะที่มุสลิมต้องเชื่อว่า การจะรับทางนำหรือจะหลงทางนะก็อยู่ที่อนุญาตของ a ล l a h แต่เราสบายใจได้เลยนะว่า a ลล a h จะไม่เลือกทางหลงทางนะไม่เลือกแนวหลงทางให้เราแน่นอนเพราะลล l a h สัญญาไว้ในคุณอ่ะว่าเลยอัลลอฮาเป็นเรื่อง อูฟุลปฏิเสธนะอัลลอฮ์ไม่ไม่พอพระทยอัลลอฮไม่เลือกให้อัลลอฮไม่ไม่ไม่สนับสนุนวะลยรดะที่อิบารีสำหรับเบาของพระองค์นี่อัลลอฮไม่ไม่ไม่เลือกให้ห้อยแต่สกุรต่ถ้าหากว่พวกเจ้าเลือกที่จะกตัญญูนะสุกตอัลลอนลรละกุอัลลอฮจะตอยให้ แต่ด้วว่าเราเลือกเองแล้วก็ดื้อดึงในการเลือกไม่เอาฉันจะกูฟดอ่ะฉันจะทําบาปอ่ะฉันจะทําความชั่วในใจนี่ก็มีเสียงแห่งคุณธรรมบอกว่าอย่าเนะี่ยมันบาปนะแต่ก็มีเสียงแย้งของเชตอนของนักสู้ของเราแล้วทำไมมก็ดีอย่างดีอย่างนี้ดํานิดเดียวหนึ่งฮะเราก็ลังเลในการที่จะเลือก คำเรียกของอัลลอฮฺตาลหรือเสียงเรียกของชัตอนของนับสูของความชั่วไอ้ขณะที่เราลังเลนี่นะอัลลอฮบอกว่าเอาตัวเองไม่เด็ดขาดนะนะตามใจไม่มีเตาฟีกแล้วอันนี้เนี่ยคือโทษฐท า, านเบาที่สุด โทษสถานเบาที่สุดนี่คือเมาปล่อยปล่อยอตัวเองกิ่งเหลือเกินน ะ, ะนะเชิญเลือกเองแล้วกันโทษสถานหนักนะนะก็คือใจของเราเนี่ยใจของเราเนี่ย 99% นต์ในอยากจะทำความชั่ว แล้วก็หนึ่งปอร์ซ็นะอยากจะเลิกไม่เอาไม่ทาความชั่วอัลลอฮฺจะเห็นหัวใจของเรานี่คือมันไม่มีเปอร์เซ็นต์เพียงพอที่จะให้อัลลอฮสนับสนุนคือเราเหมือนเลือกไปแล้วอ่ะเนี่ยสถานะหนักเลยนะอัลลอฮฺเอไปเลอัลลอฮไม่เอา ตัวเรานี่บางทีเนี่ยอันนี้พูดถึงตัวผมด้วยนะตัวเราเนี่ยบางทีก็เจอความดีอย่างหนึ่งที่อยู่ใกล้เอื้อมมือความดีที่จะสามารถทำได้แต่ใจเราเนี่ยน่ะนะไม่อยากให้ทำเพียงหนะึ่ง็ะที่กำลังดึงให้ทำ เข่ากั บ, บอัลลอฮฺบกว่าเขาไม่เต็มร้อยอ่ะที่จะทําความดีให้คัมร้องสมัยโน้ Allah, นแลนะ้วอย่าทำเลยเห็นไปไก ล, ไกลแเลยมันก็เลยรู้สึกบางทีเนะี่ยเอ๊ะทำไมความดีเนี่ยฉันอยากจะทําใช่แต่ไปตรวสอบที่ไอ้ที่คําว่าอยากจะทำเนี่ยอยากแค่ไหนอ่ะ เ, เต็มร้อยป่ะคือที่จริงเนี่ยมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องถึงร้อยเอร์็นะ่ะ ขอให้มากกว่าห้าี่อัเนต์ี่ยก็ช่วยเหลือแล้วแตเราแกะอยู่ตรงนี้มื่อศีอยู่ตรงนี้ขอให้เราเนี่มีห้าสบอ็ปอร์ซที่จะเดินไปมมส่ิศีดนะนะเดินมาไปมัสอิดแน่นอนอมรอดช่วยแน่นอนแต่ทาไมคนนี้ก็ฮะทำไมเดินไปเดินไปเดินไปอีกฝั่งหนึ่งอะคือหัวใจมันไม่ ไม่เต็มเปอร์เซ็นสูงจึงถูกลาก่ง่ายอ่นแ้วนนยาาบับาบินอายัดนักลัวที่สุดสาหรับผู้ศรัทธาทาไมกลับไปดูต้นอายะนี้าพูดถึงให้ย รู้เถิดนะว่าอัลลอฮ์จะปิดกั้นระหว่างพวกเจ้ากับหัวใจของพวกเจ้าทั้งที่เราเป็นผู้ศรัทธานะโอรรรนะทั้งที่เราก็รู้ว่านี่คือความดีแล้วเราอยากจะความดีนะแต่ระวังนะความลังเลที่จะทความดีความลังเลที่จะไม่ทําความชั่วถ้าเราเนี่ยไม่รีบสนองเนี่ยไม่อิสติยาบะเต็มที่นะก็อาจจะไม่ช่วยที่บอกอิมเจ้าซีในหะนังสือเล่มหนึ่ง ชื่อหนังสือนี่อัตตุสร้อเป็นนงสือที่ที่ท่านจะพูดเรื่องเรื่องขัดเกลาจิตใจเนี่ยบอกว่าความหมายเนี่ยความหมายนี่ผมแปลสั้นๆนนถ้าสังเกตคนดีคนดีอยู่ดีๆนี่ก็ทำความชั่วคนดีคนดีแตันบออยู่ดีๆนี่ก็ทำความชั่ว มันไม่ได้เกิดจากการที่เขาอ่อนใจหลงไปทำความชั่วแต่มันเกิดจากการที่อัลมล้อลอยเขาไม่ช่วยเหลือทำไมอ่ะเพราะคนดีเนี่ยบางทีนะหลงความดีของตัวเอง นึกว่าความดีเนี่ยจะคุ้มครองสถานะของตัวเองตลอดไปไม่ใช่คนดีต้องตื่นตัวตลอดโดยเฉพาะในยามที่มีความเสี่ยงในการทำความชั่วพอถึงเวลาเราเห็นเราเห็นเนี่ยดีดี ด, ดีแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ไม่ไม่เหลือ ไม่เอา ต, ตลอดชีวิตเนี่ยดีกด็ถูกเลี้ยงอย่างดีถูกเลี้ยงอย่างดีเพราะแค่เรียนจบคือตลอดชีวิตเนี่ยพ่อแม่เขาเลี้ยงอย่างดีก็อยู่ในบรรยากาศที่ดีมีอิมาศเข้ามหาวิทยาลัยก็มีผมจะมาว่ามีชมรมรมุสลิมเยี่ยนดีเลยนะทํางานนะไปต่างจังหวัดเขามีความดียี่สิบกว่าปีแล้วะ อยู่กับความดีการันตีการันตีควรการันตีได้นะว่าเข า, าเรียนรู้มาเข า, าเขาเข้มแข็งมาเขาทำกิจกรรมมาก็เ อ, เอไปไหน ไ, หไม่ต้องห่วงหรอกไปไปเช้าไปเช้าห้องไปเช้าบา้านได้เพื่อนคนเดียว เชินชวนทำความช่วยความดีที่เขาเคยมีเนี่ยมันอาจจะเป็นความดีที่มีปัจจัยของคนที่อยู่ร่วมกับเขาอยู่ร่วมกับคนดีก็เลยทำตา ม, ามดีแต่พอไม่มีคนดีก็เลยขาดคนช่วยหรือความดีที่ทำมาอย่างสม่าเสมอเนี่ยทำมาด้วยความเคยชินไม่ใช่ทำด้วยความรัก ความตระหนักในคุณค่าของความดีชินแต่พอห่างไกลแล้วจากปัจจัยที่จะให้เราได้ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอนะไม่เห็นคุณค่าของความดีแล้ ว, วอินดุลเยซีก็เลยบอกว่าแย่นักว่าเออเขาเนี่ยผ้าที่ไปทำความช่วยนี่ผ้าผ้าเนี่เพราะอัลลอฮ ไม่ได้ช่วยปล่อยตามเวระัะฉะนั้นสิ่งที่มันช่วยมากที่สุดเนเราอย่าหลงอย่าหลงกับความสามารถของตัวเองต้องทำอะไรอะเราต้องพึ่งพาบ่เสมอเราเิ่งคัดขนาดไหนนะเิ่งคัดขนาดไหน อย่าเชื่อว่าเจอฟิตหน้านี่หูทำกระจอกเบี้ยโอ้ยยังไงฉันก็สู้ฟิตหน้าไม่ได้ที่ออมรอบได้โปรดอย่าทิ้งฉันอลมรอบได้โปรดอย่าปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวนำพังี่มันของฉันไม่พอที่จะต่อสู้กับฟิตหน้าต่างๆออมรอบอย่าทิ้งฉัน จริงๆเราก็ขออุอาแบบนี <IA> ้ตลอดนะแต่สมบูร <oops>. มันมันมันไม่ออดแบบนี้อ่ะแต่ที่จริงเนี่ยมันมีเน้หาอย่างนี้อดีนัสรอดอุสตีอียะกันอาบุดอียะกันอสตสตอเวลาละมาดนีในเวลาละมาดดีบางทีเนี่ยเราไม่รู้ส่วนมากนคนก็จะ เราละหมาดเรก็ดูอิหมั่งเขาจะอ่านอะไรอิห ม, มอิหมั่เาจะอ่านสุราะอะไรที่ท่านชอบหมสุรอัมานไมท่าชอบอัมานเอาีอา่อจะหาที่ดูเ อ, เองอา่านถ้าในละหมาดทั้งหมดเนี่ยเราเน้นแค่ น, นี้อีกนด้วยถ้าในละหมาดทั้งหมดเนี่ยทุกกระหาเนี่ยเราได้แค่นี้สตัยนา่าวผูอียะกันน م ت ع ن ن مستعين إهدنا مي مي و ا ه د ن ا ا ل س ر ا ط المستقيم แนวทาง يين ตรง ني ماذا ك ا ي ก إهدينا؟ خير ج ا ل ل ه مم ماي م شيء. เพราะเรามีความ مي شيء. เพราะเรามา نم تفسير مي ش ي เพราะเรา جب مين مغ อ ي น نا مي شيء. เพราะ ن อ تغجام قرآن. مي شيء. เพราะ الله هاي ما إ ه د ن ا ا ل س ر ا ط المستقيم. ขอให้เราอยู่ในเนวทั้ทงที่มตัวเกิดถ้าเนี่แล้วมาทุบแล้วมาอย่าเราเน้นกันแค่แสดงว่าเร า, ามีคอนเน็กชั่นกับเราตลอดเราไปที่ศูนย์บัญชาการอยู่ที่หัวใจจุดอ่อนของเราเนี่ยจุดอ่อนของเราเนี่ย ไม่ได้อยู่ที่ความอลังการของการหลอกลวงของโลกจุดอ่อนนี่มันอยู่ที่ว่าหัวใจของเราเนี่ยเราดูแลยังไงชั้นไหนก็ชั้นนั้นนะครับสุขภาพของเรานี่ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าหมอเนี่ยเขาบอกว่าดูแลเร่งหัวใจถ้าหัวใจแข็งแรงวิ่งได้นานทํา ง, งานได้นานหัวใจนี่ที่เป็นที่เป็นก้อนเนื้อนะดูแลให้ดี เช่เดียวกันหัวใจทีที่ที่มันเป็นนามธรรมเนี่ยดูแลให้ดีบำรุงอีม a านให้ดีสิกลมลให้เยอะขอดุอ่าให้อลนลาคุ้มครองให้ให้เสมอมันจะมีฟิตหน้าที่มีปัจจัยที่มีความอลังการที่มันสามารถหลอกลวงแต่ถ้าหัวใจของเราเนี่ยถูกดูแลอย่างดีนะ สามรถสู้ได้ศูนย์มันชาการมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่หัวใจของเราเงินไถ ท, ที่จะทําให้เราอ่อนข้อเรื่องศาสนาเรื่องหลักการเรื่องความถูกต้องมันก็อยู่ที่คําสั่งของหัวใจเนี่ยให้ยอมหรือไม่ยอมเอาหรือไม่เอา วิถีชีวิตของเรามีอะไรที่เป็นประสบการณ์ใหญ่โตใหญ่หลวงเรื่องทำงานเรื่องเรื่องคู่ครองบางทีเนี่ยเรื่องยากอยู่ที่หัวใจนี่แหละอยู่ที่หัวใจนี่แหละจะแต่งงานคนนี้ ไม่มีไม่ยังไม่มีศาสนาไม่เป็นไรดูผมรอรอดาววายให้เขามีศาสนาหมดเขาจะเอาคนนี้ไงที่เขาไม่ได้เอาศาสนาเขาไม่ได้เอาศาสนาเขาจะเอาคนนี้ให้มีศาสนาต่างกันนะนึกออกปะคือนบีบอกว่าฟัฟับีดะติดดีจงเอาคนที่มีศาสนาแสดงว่าเป้าหมายคืออะไรคือศาสนาไม่ใช่คนนะ เป้าหมายนี่คือศาสนาไม่ใช่คนนะแต่นี่มีศูนย์มีคนเนี่ยไม่มีศาสนาเขาก็บอกว่าไม่เป็นการด๋ดวยวรอถ้แสดงว่าคุณรออะไรอ่ะรอเดี๋ยวเขาจะมีศาสนาจะได้อะแสดงว่าคุณไม่ได้เอาศาสนานี่คุณจะเอาเขาคุณจะเอาค น, น่ไม่ได้เอาศาสนาหัวใจคองเราที่มันคือศูนย์บัญชาการที่จะที่จะ าที่ความกระจาร่างความชัดเจนเกิดขึ้นในชีวิตของเราในทุกคดีทุกกรณีที่เกิดขึ้นทุกปัญหาที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเรื่องที่บางทีเลือกยากเลือกยากสินความถูกต้องลูกผิดอย่างนี้ลูกผิดแล้วก็ลูก เพื่อนบ้านเขาถูกลูกเราไปตีลูกเพื่อนบ้านอะย่างเงี้ยคนส่วนมากก็เขาข้าเขาข้าลูกลูกฉันเลี้ยงยังดีนถูกต้องเธอยืนถามนี้ก่อน Lynn, หัวใจของเราหี่ถ้าหากว่าโปร่งใสกับความจริงกับความถูกต้องนะนะ ลูกเราอาจจะผิดก็ได้ดูดูเป็นตัวสอบถ้าลูกผิดก็ต้องอมลูกขอโท ษ, โทษลูกชาวบ้านครับใีทั้งหมดที่เกิดอย่างไรเกิดจะ ก, กฎหมายที่สังคมจะบังคับให้เราทำเกิดเกิดจะความตระหนักที่หัวใจของเราเนี่ยเลื่อมใสกับความถูกต้องเลื่อมใสกับความชอบ เรื่องเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดแปบ๊บเดียวหัวใจของเราจะเป็นโอ้โหจะเป็นมาตรฐานเป๊ะๆมันต้องขั ด, ขดต้องอบรมขัดเราชีวิตของเราก็จะมีมีพลาดเยอะมีอะไรเยอะต้องเอามาเป็นบทเรียนในการที่จะขัดเราหัวใจของเรา เพื่อให้ศูนย์บัญชาการในชีวิตของเราเนี่ยเลือกทางที่ดีที่สุดอัลลอฮฺสุบฮานาหัวดาลเห็นตลอดชีวิตของเราเนี่ยทุกกรณีเนี่ยก็เลือกเลือกความถูกต้องความถูกต้องทําให้เราเสียหายเสียตังเสียคนเสียญาติเสียเพื่อนเราก็เลือกความถูกต้องเลือกหลักการศาสนา ปลายบ้านปลายชีวิตเนี่ยอัลลจะเลือกบ้านปลายชีวิตที่ดีงามที่สุดแต่ตล อ, อดชีวิตเลือกอะไรเลือกเพื่อนเลือกญาติเลืกวสตางค์เลือกบ้านปลายชีวิตคอยดูจะเป็นแบบไหนเลืออิน ي أ ك ث ر ا ليلة م ل ا م ل ه الله ي ء لا ا ل ل م ه ن الله يحول بين المرء وقلبي ه เราไม่ได้สนองหลายหลายให้ละมั้งเสียทีแล้วเราจะให้เราขึ้นสถานะเป็นคนที่สิ้นชีวิตโดยไร ล, ละมั้งง่ายๆเหมือนคนที่อโลบโปรดปราณง่ายๆแบบนั้นเหรอช่น้นเราก็เห็นกันในชีวิตของเราเนี่ยคนที่ตอนจะเสียชีวิตนี่กล้จะเสียชีวิตนี่กล่าวอลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮเต็มปากเสียงชัดถ้อยชัดคํานี่นะน้อย ไดยเปไม่ช่เรื่องเฮ้ยไรลๆแล้วรก่อนได้จิบนี่ไงไรๆและลวรมันจะยากตรงไหน <c oughs> ให้รอให้รอตอนมันไม่เหมือนกันน่สภาพมันไม่เหมือ น, นบททดสอบตลอดชีวิตของเราเนี่ยพี่เอารอก็นําทดสอบหัวใจของเราศูนบัญชาการว่าเราเลือกอะไรเลือกอัลลอฮ์ไหม เรืองัลลอฮ์นแน่นอนบ้านปลชีวิตนี้อัลลอฮ์จะเลือกเลือกเราสนับสนุพวกเราแน่นอนบสมัลลอฮ์อัลฮลนบีมุฮัมมัด ع ل ى آلي ص ا ي و س ل م السلام ع ل ي ك م ر ح م ة ا ل ل